พวกเราที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาส น, นิกชนพวกเรารู้ความหมายของคําว่าพระพุทธศาสนาหรือไม่พระพุทธศาสนาแปลว่าอะไรคําว่าพระพุทธศาสนานี้ก็มีประกอบอยู่สองคำด้วยกัน คือหนึ่งพระพุทธสองศาสนาคำว่าพระพุทธนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสู้พระธรรมอันประเสริฐที่จะทำให้ผู้ที่เข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือพระพุทธส่วนศาสนาแปลว่าการเผยแผ่ความรู้การเผยแผ่ความรู้ของใครก็เผยแผ่ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสรตพระธรรมอันประเสริฐ นี่แหะคือความหมายของพระพุทธศาสนาการเผยแผ่ความรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนกับสถาบันการศึกษาที่มีการเผยแผ่ความรู้ชนิดต่างๆ เนตามมหาวิทยาลัยต่างๆยังมีการเผยแผ่ความรู้แขนงต่าง ๆ, ๆความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางแพทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ทางเคมีทางภาษาศา ส, าสตร์ทางอักษรศาสตร์ ี่คือวิชาความรู้ต่างๆที่มีการสั่งสอนเผยแพร่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆพระพุทธศาสนาก็เป็นสถาบันการศึกษาที่เผยแพร่เผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแพร่ความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู ผู้ที่มาเป็นสมาชิกของสถาบันการศึกษาก็คือนักเรียนนักศึกษานี่เองนักเรียนนักศึกษาเมื่อได้รับสมัครเข้าตามสถาบันการศึกษาต่างๆก็ต้องไปเรียนวิชาความรู้ที่สถาบันการศึกษา จัดไว้ให้เรียนนั่นเองต้องไปเรียนหนังสือพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักสูตรมีพระพุทธเจ้าและมีพระอริยรสงสาวุเป็นอาจารย์ พระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ส่วนพระาอราิยสงฆ์สาวกเป็นอาจารย์ผู้ช่วยของพระพุทธเจ้าช่วยนำเอา ค, ความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้มาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาที่มาสมัครเรียนเราชาวพุทธนี้หรือพุทธศาสนิกชนนี้ เป็นนักเรียนของสถาบันการศึกษาของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องทำหน้าที่ของนักเรียนถึงจะเรียนจบถึงจะได้ความรู้อันประเสดิฐที่จะทำให้ผู้ที่เรียนรู้นีได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ พ, พุทธศาสนานี้สอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ได้สอนให้เป็นเศรษฐีไม่ได้สอนให้เป็นคนใหญ่คนโตคนร่บคนรวยไม่ได้สอนให้เป็นคนเก่งที่รับรางวัลชนิดต่างๆรับเหรียญทองชนิดต่างๆไม่ได้สอนให้เป็นคน มีความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่สอนให้เป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ภายในใจการไม่มีความทุกข์ภายในใจนี้ประเสริฐยิ่งกว่าการมีความสุขจากสิ่งต่างๆดีกว่าการมีความสุขจากการเป็นมหาเศรษฐี การมีความสุขจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่าความสุขจากการได้รับรางวัลเหรียญทองต่างๆดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปเสพรูปเสียงเกียรตรตามสถานที่ต่างๆจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่าง ๆ, ๆ เพราะความสุขเหล่านี้นั้นยังมีความทุกข์อยู่ยังทําให้ผู้ที่เสพความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆยังต้องร้องโหม่ร้องไห้ยังต้องเศรา้าโศกเสียใจยังต้องกังวลกวายกระสับกระสายยังต้องวิตกกังวลยังต้องหวาดกลัว ยังต้องร้อง่วมร้องไหยยงง้ยังต้องเสมเศร้ายังต้องเครียดเพราะความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจ ให้หายไปให้หมดไปได้มีแต่พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้บรรลุ ถ, ถึงพระธรรมนี้จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพอความทุกข์ที่มีอยู่ในใจหมดสิ้นไปความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับความสว่างนี้จะโผล่ขึ้นมาเมื่อเรากำจัดความมืดวิธีกำจัดความมืดเวลาเราอยู่ในที่มืดเราก็เปิดแสงสว่างพอเปิดแสงสว่างความมืดก็หายไปความสว่างก็โผล่ขึ้นมา ฉันใดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงเกียรติลดต่างๆก็ความทุกข์ที่เกิดจากไม่ใช่ความสุขความทุกข์ที่ไม่ได้รับการกําจัดจากความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงเกียรติลดต่างๆนี้ จะถูกกำจัดด้วยการด้วยการบรรลุถึงพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพอได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปความสุขอันประเสริฐที่เลิศ ก, กว่าที่ดีกว่าความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิจรดโทธพภะ ก็จะโผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติความสุขแบบนี้ไม่ต้องไปหามันมันมาเองเพียงแต่ขอให้เรากำจัดความทุกข์ภายในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้เท่านั้นและการที่จะกำจัดความความทุกข์ต่างๆที่มีใน ใ, นใจให้หมดสิ้นไปได้ก็ต้องศึกษาและปฏิบัติ พระธรตามพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองจนกว่าจะได้บรรลุถึงพระธรรมอันประเสริฐพอได้ทำมันประเสริฐปรากฏขึ้นในใจแล้วก็เหมือนกับได้แสงสว่างที่จะมาทําลายความมืดบอดที่มีอยู่ภายในใจได้แสงสว่างที่จะมาทําลายความทุกข์ต่างๆที่ ก็จากความมืดบอดของใจนี่เองนี่แหละคือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันว่าเป็นอะไรกันนะเท่าที่เห็นนี่ส่วนใหญ่คิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนศาลเจ้าไปไหว้เจ้ากัน ไปวัดไปไหว้เจ้ากันไปวัดมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ไปจุดธูปเทียนเอาดอกไม้ไปบูชาเอาสตงสตางไปใส่หยอดเหรียญยอดตู้เอาข้าวของไปถวายสารเจ้าถวายวัดแล้วก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสารเจ้า ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นใหญ่เป็นโตขอให้มีความสุขขอให้อย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยขออย่าให้เกิดเหตุการณ์วิบัติต่างๆนี่คือลักษณะของชาวพุทธที่เห็นกันในปัจจุบันนี่เห็นเห็นพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนศาลเจ้า ไปไหว้เจ้ากันไปขอสิ่งนั่นสิ่งนี้เห็นั้ยวัดไหนที่มีพระพุทธรูปดังๆนี้คนแห่กันไปเป็นร้อยไม่ใช่เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนพระพุทธรูปวัดนี้ดังนี่ไปแย่งกันไปไปกราบกันเหมือนกับพวกที่ไปไหว้สารพระพรหมที่สียแยกเอราวัณ เหมือนกันไปที่นั่นก็เอาดอกไม้ถูบเทียนไปกราบไปไหว้ไปบนบานขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้กันพอได้ก็ไปแก้บนกันไปร้องลำไปอะไรต่างๆตามที่ได้บนบานไว้เนวัด hmm. นี่ก็เป็นแบบนี้ mm hmm. คนเข้าวัดไม่ได้เข้าวัดเพื่อไปศึกษาไปปฏิบัติ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไหว้เจ้ากันไปสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆไปสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่ๆหยิ่งใหญ่ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขลังทีงนี้สร้างกันเอาเอาปริมาณมาเป็นตัวกำหนดความขลังของพระพุทธศาสนาไม่ได้เอาตัวคุณภาพ ของศาสนามาเป็นตัวกาหนดความรลังตัวคุณภาพของศาสนาก็คืออะไรก็คือตัวความรู้ความรู้ธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่เองไม่รู้กันไม่รู้ธรรมะอะไรเลยถามทำใดก็สอบให้ให้ถ้าให้ทาข้อสอบก็สอบตกพระพุทธศาสนาแปลว่าอะไรก็ยังไม่รู้ พระพุทธศาสนามีไว้ทําไมก็ไม่มีใครรู้กันรู้แะรู้แต่ว่าอถ้าซวยถ้าโชคไม่ดีชีวิตไม่ราบรื่นไม่เจริญก็ไปวัดกันไปไหว้เจ้ากันถ้าจะให้เข่งกว่า น, นั้นก็ไปบวชกันสักเจ็ดวันสิบห้าวันไปโกนหัวนุ่งผ้าเหลืองอดข้าวเย็นกันสักสิบห้าวัน แล้วสึกไปแล้วชีวิตจะก้าวหน้ารุ่งเรืองความทุกข์ความวิบัติต่างๆจะหายไปหมดน้วมันหายหรือเปล่ามันก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือเปล่าถ้ารุ่งเรืองก็ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปทํามาหากินนะไปบวชกันสักสิบห้าวันแล้วก็สึกกันแล้ว ก, กลับไปทําอะไรกลายเป็นหัวน้องหัวหน้าเป็นเจ้านาย ของบริษัทขึ้นมาอันนี้คือการปฏิบัติของชาวพุทธเราส่วนใหญนะ่ไม่ได้ทั้งหมดนะส่วนที่รู้ว่าศาสนานี้เป็นมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษานี้ก็มีอยู่บ้างแต่ไม่มากที่ทำหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษาคือ ไปเรียนไปปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆได้สำเร็จได้กำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปมีแต่มีเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของผู้ที่คิดว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นศารเจ้า โลกที่ถือว่าเป็นศาลเจ้านี้มีมากไปแทบทุกวันไปไหว้พระกันท้งนั้นไปไหว้เจ้าจะเรียกว่าไหว้พระไหว้เจ้าก็เหมือนกันนะแม้แต่วัดอนดันดับหนึ่งของประเทศไทยวัดพระแก้วมอลกฏก็เป็นวัดให้ไปไหว้เจ้ากันไม่ได้เป็นวัดห้าเพื่อให้ไปเรียนไปศึกษาพพะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า มีคนไปขอพอรจากพระแก้วพระลัดพระแก้วมรกตเนี่ยถือว่าเป็นพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนานี่นี่เป็นความเข้าใจผิดนความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่พร ะ, พ, ระพุทธรูปต่างๆต่อให้มีความล่ำลือว่าวิเศษขนาดไหนก็ตาม เป็นเพียงความลื่อหลือแต่ไม่มีใครกล้านำออาไปพิสูจน์ว่าวิเศษจริงหรือไม่วิเศษอย่างไรก็ไม่รู้ น, นี่คือความหลงผิดความเข้าใจผิดของชาวพุทธเราทุกวันนี้แทนที่จะได้ดิบได้ดีจากพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า กลับไม่ได้กันเพราะไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรและเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนนี้มีหน้าที่อย่างไรต่อพระพุทธศาสนานก็เลยไม่มีการทำหน้าที่กัน เหมือนนักเรียนที่ไปมหาลัยแล้วก็ไปกราบารูปเหมือนของอาจารย์ใหญ่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจุดธูปเทียนสามดอกเอาดอกไม้อะไรไปวางบูชาเสร็จแล้วก็กลับบ้านอย่างนี้เรียนจนวันตายก็ไม่มีวันจบเพราะไม่ได้เรียนไม่ได้เข้าห้องเรียนพวกที่ไปวัดนี่ไปกราบพระที่โบส แล้วก็ไปขอพรอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เหมือนกันหรือแม้แต่พวกที่มาบวชก็บวชแค่บวชเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไปล่ําไปเรียนคําสั่งคําสอนบวชแล้วก็มานั่งรอนับวันว่าจะศึกเมื่อไหร่รอดูเลิกศึกแล้วพอบวชปั๊บก็คิดถึงเลิกศึกแล้วไม่รู้จะบวชไปทไําไมถ้าบวชแล้วจะศึกบวชไปทําไม ถ้าแต่งตัวซสวยงามเสร็จแล้วก็ถอดออกไม่ไปไม่ออกไปเที่ยวข้างนอกไม่เอาไปโชว์ตัวนี่แต่งไปทําไมแต่งอยู่ในบ้านนี้แล้วก็นอนก่อนจะนอนก็แต่งตัวซสวยงามัเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใส่ชุดนอนเข้านอนแต่งไปทําไมแต่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่า อันนี้ก็เหมือนกันมาวัดแล้วก็มาถึงแล้วถ้าได้บวชบวชแล้วก็รอวันเึกไม่รู้จะบวชไปทําไมดูพระพุทธเจ้าท่านบวชแล้วท่านเึกหรือเปล่าดูพระอริยสงสาวุของพระพุทธเจ้าท่านบวชแล้วท่านเึกกันหรือเปล่าแต่สมัยนี้บวชแล้วเสกกันเป็นว่าเล่นกลายเป็นธรรมเนียมซะแล้วเนี่ยชาวไทยชาวพุทธเหล่านี้เป็นลูก ต้องถ้าเป็นลูกชายนี้จะต้องบวชให้พ่อแม่ไม่ได้บวชเพื่อให้ตัวเองบรรลุธรรมนบวชให้พ่อแม่บวชให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองจะไปขึ้นสวรรค์ได้ไงเมื่อคนบวชยังไม่ขึ้นเลยแล้วคนที่เกาะชายผ้าเหลืองจะขึ้นไปได้ยังไงคนบวชก็บวชเพื่อที่จะรอนับวันศึกกันเพื่อที่จะได้เอ่า ไปทำสิ่งที่อยากจะทำคือไปหาลาบยศสารเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซึ่งเท่ากับการไปหาความทุกข์ดีๆนีเ่เพราะว่าลาบยศสารเสริญ ส, สุขมันก็เป็นเหมือนเหรียญสองด้านมันมีทั้งหัวมีทั้งก้อยมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ เวลาเราไปเอาเหรียญมานี่เราจะบอกว่าขอเหรียญที่มีหน้าหน้าหน้าหน้าเดียวได้ไหมหน้าสองหน้านี้ให้เป็นหน้าเดียวได้ไหมไม่ได้เหรียญมันมีสองด้านฉันใดลาบยศสารเสริญสุขที่ไปหากันนี่ก็มีสองด้านมีด้านเจริญและด้านเสื่อมเนี่เวลาจเจริญราบยศสารเสริญสุขก็มีความสุขกัน เวลาเสื่อมราบยศสารเสนสุขก็กลายเป็นความทุกข์กันเนี่ยตอนนี้กิจการต่างๆโรงแรมต่างๆนี่แทบจะแ ท, บ, ทบจะต้องปิดกิจการบางโรงแรมนี่ปิดแล้วได้ข่าวมีเจ้าของโรงแรมปล่อยเช่าคนขอเช่าขอคืนแล้วเพราะไม่มีคนมาอยู่นี่นี่แหละคือ ความเสื่อมของลาบเนี่ยเวลาเปิดแล้วมีคนมาใช้กิจการใช้บริการนี่เงินทองก็ไหลเข้ามาตอนนั้นก็จเจริญลาบ เ, เวลาจเจริญลาบก็ดีอกดีใจมีความสุขพอเวลาเสื่อมลาบขึ้นมาทีนี้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานไม่เห็นกันดียังไงยังอยากจะกลับไปหาลาบยศจระเสน การได้บวชนี่ถือว่าการได้พ้นภัยจากราบยศ ส, สรรเสนสุขแล้วการได้ออกจากกองทุกแล้วออกจากกองไฟแล้วแต่ที่ไหนได้ออกมาได้ไม่กี่วันก็เต็มนับวันอยากอยากจะกลับเข้ากองไฟออยากจะกลับเข้าไปหาความทุกเวลาที่ราบยศสรรเสรินสุขมันเสื่อมลงไปเพราะมืดบอดไม่มีปัญญา เห็นเพียงด้านเดียวของลาบยศสลรเสริญสุขเห็นเวลาที่ได้ลาบยศสารเสริญสุขมาแล้วดี อ, อกดีใจกันเลี้ยงฉลองกันเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่เวลาที่เส่อมลาบยศสลรเสริญสุขนี้ไม่มีการเลี้ยงฉลองกันไม่มีการประกาศบอกให้รู้กันว่าตอนนี้กูเจ้งแล้วมาช่วยหน่หนอยไม่มี นี่แหละคือความมืดบอดการมาบวชนี้เพื่อมาบวชเพื่อให้มาศึกษาเพื่อจะได้เห็นความจริงเปิดตาบอดตาที่บอดให้มันเห็นความจริงตามบอดนี้เห็นเพียงครึ่งเดียวเห็นด้านดีแต่ไม่เห็นด้านไม่ดีเห็นด้านเจริญของญาบรสสรรเสริญสุขแต่ไม่เห็นด้านเสื่อมของญาบรสสารเสริญสุขกัน ก็เลยหลงคิดว่าการไปหาลาบยศสารเสญ ส, สุขนี้เป็นการไปหาความสุขกันแต่พอเวลาไปเจอช่วงที่ลาบยศ ส, สรรเสญสุขเสื่อมลงไปความทุกข์ต่างๆก็ไหลเข้ามานี่เพราะไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงนี่ ถ้าเรียนจบหลักสูตรของพระพุทธศาสนาแล้วรับประกันได้ว่าจะไม่ไปหาราบยศสารสญสุขอย่างแน่ น, นอนดูผู้ที่เรียนจบหลักสูตรของพระพุทธศาสนาคือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์เมีองค์ไหนกลับไปเปิดกิจการเปิดโรงแรมเปิดธุรกิจไหมไม่มีหรอกไม่รู้จะไปหาอะไรอืม ไปแข่งขันไปสมัครลงเลือกตั้งหรึเปล่าเนียถ้าพระไปเลือกตั้งก็เขาก็แสดงว่าพระไม่ได้เป็นพระอริยเป็นพระหนีโรงเรียนเป็นพระไม่เรียนหนังสือพระที่ไปแข่งหาราบหายศกันนี่ก็เป็นพระที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไป หาลาบหายศเนี่ยลาบก็คือลาบสักการะเนี่ยพอได้ตําแหน่งเป็นเจ้านู่นเจ้านี่ขึ้นมาก็จะมีศรัทธาญาติโยมเข้าหากันพอเข้าหาก็เอาลาบสักการะไปถวายถ้าหายศหาตําแหน่งเ <Yeah. S 1> ก็เป็นเหมือนกับอ่าวว่าญาติโยมที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนนั่นแหละ ถึงแม้จะมาบวชมาโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่ถ้ายัางไปแสวงหาราบยศสารเสริญอยู่ก็ไม่ต่างจากคาลวาาผู้ของเรือนถ้ายังแสวงหาตําแหน่งต่างๆเป็นพระสังฆาธิการเป็นพระดํารงสัมมาสั์มีตําแหน่งชั้นสมเด็จชั้นสังฆราชชั้นอะไรก็ตามถ้าแสวงหา แต่ถ้ามันมาเองนี่ไม่เป็นไม่ได้เป็นการแสวงหาอเดี๋ยวจะหาว่าแปลว่าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีสมมณสักิ์อันนี้เป็นเรื่องของธรรมจัดสรรมันมาเองพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มีคุณธรรมสูงก็มีผู้ที่จะ อยากจะมอบสมมาสั์ให้ก็มีแต่การได้มาแบบนี้ไม่ได้เป็นการได้มาด้วยกิเลสตัณหาด้วยความอยากแต่มันมาเพราะมันเป็นความศรัทธาของผู้ให้อันนี้ไม่เหมือนกันความอยากได้กับการไม่มีความอยากได้นี่มันไม่เหมือนกันบางคนก็ได้ตำแหน่งได้สมัมมาสัช ได้ลาบสักการะจากศรัทธาของผู้ให้อันนี้ไม่ได้เป็นการได้มาด้วยความโลภความอยากบางคนบางองค์บางท่านได้มาด้วยการแสวงหาโดยการวิ่งเต้นด้วยการกระทาอะไรต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆมาอันนี้แหละถึงเรียกว่าเป็นการ กระทำด้วยกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆก็แสดงว่าไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นว่าราบสักการะไม่เห็นว่าสัมณาสัชไม่เห็นว่าความสรรเสริญเยนยอนี้เป็นทุกข์ยังคิดว่าเป็นความสุขอยู่เพราะว่าไม่ได้มาทาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ถึงแม้ว่าจะมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ตามแต่ก็เหมือนไม่ได้บวชถึงแม้จะได้ศึกษาก็ตามก็ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ยังเข้าไม่ถึงธรรมการจะเข้าถึงธรรมอันประเสริฐได้นี้หลังจากศึกษาแล้วต้องนาเอาไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วนั่นแหละถึงจะสามารถบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆของพระพุทธเจ้าได้แล้วเมื่อได้บรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆแล้วก็จะมีปัญญามีดวงมีความรู้ความฉลาดจะรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์จะรู้ว่าอะไรไม่เป็นทุกข์นสิ่งไหนเป็นทุกข์ก็จะไม่เข้าไปหาจะเข้าหาแต่สิ่งที่ไม่เป็นทุกข์เท่านั้น นี่นีคือเรื่องของพระพุทธศาสนากับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะตอนนี้มันไปคนละทิศคนละทางกันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันการศึกษาให้ความรู้แก่ผู้ที่มามาสมัครเป็นสมาชิกแต่ผู้ที่มาสมัครเป็นสมาชิกไม่ได้ดูเงื่อนไขไม่ได้ดู กฎกฎติกาของศาสนาว่ามีเงื่อนไขอย่างไรการที่จะเป็นสมาชิกนี่ไปตั้งเงื่อนไขไปเขียนเงื่อนไขกันเอาเองว่าการเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือการมาไหว้เจ้านั่นเองการมาไหว้พระพุทธรูปต่างๆเห็นไหมไปไหว้พระก้าวัดนี่ไปไหว้อะไรไปไหว้พระพุทธรูปใช่ไ้ยไปไหว้เจ้าเข้าก้าววัดด้วยกัน พระพุทธรูปก็เป็นเจ้าเราเรียงพระพุทธเจ้าก็ไปไหว้พระพุทธรูปก็ไปไหว้เจ้านั่นแหละไปไหว้เก้าวัดแล้วเป็นยังไงแล้วชีวิตจะรุ่งเรืองจิตใจจะแจ่มใสผ่องใสเบิกบานแล้วเป็นยังไงกลับมาบ้านเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แต่ไปเที่ยวเก้าวัดมากกว่าไปเห็นวัดเก้าวัด แต่ไม่ได้อะไรทางด้านจิตใจถ้าได้ก็ดีสิจะได้ไม่ต้องมาศึกษามาปฏิบัติให้เหน็ดให้เหนื่อยไม่ต้องมาอดข้าวอดอะไรกันเพียงแต่ไปไหว้พระก้าวัดแล้วก็จะได้ทรมันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาครองมาเป็นสมบัติได้ได้มากผลนิพพานมากสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเก้าพอดีใช่ไหม ไม่ได้นะขอให้เรามาทําความเข้าใจกันนะถ้าอยากได้มรรคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งอย่าไปกราบพระก้ า, าวัด ต, ต้องไปศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนักเรียนต้องเข้าห้องเรียนอย่าหนีเรียนกันไปเรียนไปถึงโรงเรียนแต่ไม่เข้าห้องเรียนไปเหมือนกลับไปไม่ถึงโรงเรียน พอพ่อแม่มาส่งที่หน้าโรงเรียนก็เขาแกงเข้าไปกรา บ, บกราบรูปเหมือนในโรงเรียนนั่นหน่อยกราบรูปของอาจารย์เสร็จพอพ่อแม่ไปก็แวบออกประตูออกไปเที่ยวกันตอนเย็นก็มารอพ่อแม่มารับกลับบ้านพ่อแม่ก็สงสัยมันเรียนมากี่ปีไม่จบสัทีนี่เป็นชาวพุทธมากี่ปีแล้วเนี่ยบางคนเป็นพุทธมาตั้งแต่ก่อนเนี่ย ตอนวันนี้เรียนจบแล้วยังก็ยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนวันที่เริ่มเรียนวันแรกเพราะไม่เข้าเรียนเงินไม่เข้าห้องเรียนไปที่โรงเรียนพอพ่อแม่ไปปุ๊บก็หนีเที่ยวกันพอตอนเย็นเย็นบ่ายๆก็กลับมาที่หน้าโรงเรียนมารอนั่งนั่งรอให้พ่อแม่กลับมารับกลับบ้านเนี นี่แหละเป็นชาวพุทธของเราสมัยนี้เป็นอย่างนี้กันเนี่เป็นนักเรียนที่ไม่เข้าห้องเรียนไม่รู้เรื่องราวของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยยังมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจอยู่ไม่รู้จักจบจากสิ้นเนี่ยนี่เพราะว่าเราไม่รู้จักหน้าที่ของการเป็นชาวพุทธว่าจะทำอย่างไรถึงเป็นชาวพุทธเนี่ย หน้าที่ของชาวพุทธก็เหมือนนักเรียนหน้าที่นักเรียนมีหน้าที่อะไรก็ต้องเรียนเรียนหนังสือก็ต้องเรียนเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปทำการบ้านต่อเมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาก็ไปสอบอไปทดสอบความรู้ความสามารถว่าทำข้อสอบได้หรือเปล่ า, า, าศาสนาพุทธก็เหมือนกัน ข้อสอบของเราก็คือความทุกข์ที่เราจะต้องมาสอบให้ผ่านให้ได้ที่จะต้องมามีความสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปให้ได้ <Yeah. S 1> เป็นการที่จะทําข้อสอบในเบื้องต้นเราก็ต้องเรียนวิธีดับความทุกข์ก่อน <Yeah. S 1> ต้องเข้าห้องเรียนต้องเรียนคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านะ yeah. ขั้นที่หนึ่งท่านเรียกว่าปริยัติธรรมการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีการดับทุกข์ว่าทาอย่างไรแล้วขั้นที่สองก็เอาไปซ้อมก่อนเอาไปทำการบ้านก่อนเรียกว่าปฏิบัติขั้นปฏิบัตินี้มีแบ่งเป็นสองภาคสองระดับระดับแรกเป็นการทำการบ้านซ้อมก่อน เป็นเหมือนนักมวยก่อนที่จะขึ้นเวทีนี่ต้องซ้อมชกก่อนต้องซ้อมชกกระสอบทรายต้องวิ่งต้องยกน้าหนักเพื่อสร้างกำลังสร้างวิธีการชกการต่อยเรียนรู้วิธีชกวิธีต่อยจากเทรนเนอร์แล้วพอเมื่อพร้อมทำการบ้านพร้อมแล้วก็ขอขึ้นเวทีต่อไปขึ้นเวทีที่จะได้เจอ กู้ต่อสู้จริงนะทีนี้จะรู้ถ้าชนะหรือแพ้ก็จะรู้กันตอนนั้นถ้าชนะก็แสดงว่าสอบผ่านกู้ต่อสู้ของพวกเราก็คือตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับพวกเรานี้ตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับพวกเราคืออะไรก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา อันนี้มันมาเป็นทีมพวกนี้มันมาพร้อมกันทั้งสี่ตัวกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเราต้องเอาธรรมะคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้ามาสู้กับมันถ้าเราชนะมันความทุกข์ก็จะหายไปถ้าเราแพ้มันความทุกข์ก็จะไม่หายแต่ก่อนที่เราจะไปสู้กับมันได้เราต้องฝึกซ้อมกัน เหมือนนักมวยเหมือนทหารตำรวจนี่เขาไม่ส่งพวกที่ยังไม่ได้ฝึกซ้อมอาวุธใช้อาวุธต่างๆไปเข้าสงครามทําศึกสงครามก่อนจะทําศึกสงครามนี้เขาต้องฝึกซ้อมทหารให้รู้จักใช้อาวุธชนิดต่างๆให้รู้จักใช้ปืนใช้มีดใช้ดาบใช้ลูกระเบิดใช้อะไรต่างๆก่อน ไม่ใช่อยู่ดีๆ เ, เอาปืนไปเอาไม้ไปเอาระเบิดไปยิงยังไงก็ยิงไม่เป็นระเบิดลูกระเบิดจะทำยังไงให้มันระเบิดก็ทําไม่รู้ไม่เป็นไปถึงก็ถูกเขาฆ่าตายนะฮะฉะนั้นก่อนที่จะไปเข้าสนามลบได้เนี่ยจะต้องมีการทําการบ้านก่อนมีการฝึกหัดก่อนทางธรรมก็เหมือนกันทางโลกก็เหมือนการเรียนหนังสือทางโลกก็ เขาก็ไม่ได้ให้สอบทันทีเวลาเรียนหนังสือไปเขาก็ให้เรียนไปแล้วก็ให้ออกไปทำการบ้านเสร็จแล้วก็เอาการบ้านมาให้ครูตรวจดูว่าทำถูกหรือทำผิดอย่างไรทำผิดจะได้สอนใหม่ว่าทำไม่ถูกต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ <c oughs> จนกว่าครูจะมีความมั่นใจว่าทำการบ้านได้แล้วทำถูกแล้วถึงจะให้เข้าห้องสอบต่อไป พอเวลาเข้าห้องสอบนี่ไม่มีการเปิดหนังสือไม่มีการไม่มีการมีการมาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ได้เวลาเข้าห้องสอบนี่ต้องทำเองทุกอย่างจะสอบผ่านไม่ผ่านก็อยู่ก็จะรู้เวลาที่ตรวจเข้าสอบ การทางธรรมก็เหมือนกันเบื้องต้นเราต้องมาเรียนวิวธีดับความทุกข์ต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าบอกมีสามวิธีเนะการเรียนธรรมะคำสอนนี่ไม่ต้องเรียนมากนะ <Yeah. S 1> เรียนเฉพาะวิชาที่เราต้องรู้เท่า น, นั้นก็พอบางคนคิดว่าโอ๊ยต้องเรียนนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกแล้วก็ต้องไปเรียนบาลี ปหนึ่งถึงปเก้าถึงจะไปปฏิบัติธรรมได้อันนี้ไม่ไม่ใช่นะไม่มีความจําเป็นไม่ต้องเรียนนักธรมตีโทเอกก็ได้ไม่ต้องเรียนบาลีก็ได้ขอให้เรียนรู้วิธีดับความทุกข์เท่านั้นว่ามีกี่วิธีออถ้าเรียนก็จะรู้ว่ามีสามวิธีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์นี้มีอะไรบ้าง เนี่ยวันมาคบูชาที่จะถึงนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงพระโอวาทปฏิโมกรงจะสอนทงจะแสดงบอกให้รู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมาตัดสั้ในยุคไหนสบายไหนก็ตามจะสอนเหมือนกันหมดเพราะท่านมีเป้าหมายอันเดียวกันเหมือนกันคือการดับทุกข์ของใจเท่านั้นเนี่ย วิธีที่จะระดับความทุกข์ของใจได้ก็มีสมวิธีเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนสมัยไหนไม่ว่าจะเป็นยุคนี้ก็มีสามวิธีไม่ว่าจะเป็นยุคของพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมาก็มีสามวิธีไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตคือพระศรีอารก็มีสามวิธีเพราะนี่เป็น ความจริงที่เป็นอาการลิโกสัจธรรมความจริงที่เป็นอาการลิโกไม่มีเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามการตามเวลาเพราะความจริงของจิตใจคือความทุกข์นี้มันไม่เปลี่ยนแปลงไปกับการเวลาความทุกข์ของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล กับ <G rab i> ความทุกข์ของพวกเราในสมัยนี้ก็เหมอือนกันหมายถึงความทุกข์ของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสิ้นทุกข์แตความทุกข์ของเจ้าชายสิทธัตถะกับความทุกข์ของเจ้าชายในสมัยนี้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันและวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ก็เหมอือนกันมีสามวิธีด้วยกันคือหนึ่งต้องละ ก, การกระทาบาปทั้งปวง สองสร้างความสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้แหละที่จะเป็นการชำระความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีวิธีอื่น การจะมากำจัดความทุกข์ด้วยการไปหาลาบยศเสรเสิญสุขมากำจัดนี่กำจัดแบบเอาไปกบไว้เดี๋ยวเดียวกบแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่มันไม่หายต้องใช้การกำจัดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญได้ทรงตัดสรู้ว่านี่แหละเป็นวิธีที่จะกำจัด ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ต้องกำจัดด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็การทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สปะปาปประสะอากระนัง การไม่การทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปัมปัธาการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสาจิตะปริโยดปนังการํำระใจให้สะอาดบ่อยสุดเอตังบุทานาซาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์ที่มาตัดสะรู้ก็ตัดสะรู้ วิธ er ีดับทุกนี้ทุกๆพระองค์วิธีดับทุกก็เหมือนกันทุกๆพระองค์เหมือนกับวิธีดับไฟก็เหมือนกันไม่ว่าจะสมัยไหนไม่ว่าจะที่ไหนเวลาไฟไหม้เขาเอาอะไรไปดับเขาก็เอาน้ําไปดับกันใปที่เมืองนอกเวลาไฟดับเขาก็เอาน้ําไปดับกันอยู่ในป่าเวลาไฟดับเขาก็เอาน้ํามาดับกันไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนยุคไหนสมัยไหน วิธีดับไฟก็เหมือนกันเมื่อมีไฟลุกก็ต้องหาน้ำมาดับกันฉันใดวิธีดับความทุกข์ทางใจก็ต้องหาธรรมมาดับกันธรรมนี้นานๆจะมีคนรู้กันสักทีเช่นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดจรูน้นี้ก็ไม่มีใครรู้วิธีดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถึงแม้จะเคยมีคนรู้มาก่อนในอดีต คือพระพุทธเจ้าที่เคยที่มาตัดสรู้และมาสอนพระธรรมในอดีตแต่มันเป็นเวลาอันยาวนานที่ผ่านไปแล้วคนที่เรียนรู้นี้คนที่มาเรียนรู้แล้วจะเอามาเผยแผ่ให้คนอื่นต่อไปนี้มันหายไปหมดแล้วคนที่จะเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่รู้ในอดีตนี้ไม่มีขาดตอนไปแล้ววิธีดับความทุกข์ของใจนี้ สมัมาที่เจ้าชายสิทธัตถะคือสัมมณะโคดมแสวงหานี้ไม่มีใครรู้กันเลยไปเรียนกับใครที่ไหนก็ไม่มีใครรู้วิธีดับความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวรรู้แต่บางส่วนเท่านั้นเองรู้ว่าการทำบาปเป็นการทำให้เกิดความทุกข์รู้ว่าการทำใจให้สงบก็จะดับความทุกข์ได้ แต่ดับได้ชั่วคราวเพราะเป็นความสงบแบบชั่วคราวแต่ไม่รู้วิธีที่จะทำใจให้สงบอย่างถาวรได้ <c oughs> เลยต้องอาศัยการความเพียรพยายามของส ม, มณะโคดมที่เมื่อไม่มีใครรู้ก็ต้องลองผิดลองถูกถึงกับขั้นยอมอดอาหารต้องสี่สิบเก้าวัน คิดว่าถ้าอดอาหารแล้วความทุกข์จะหายไปมันก็ไม่หายถึงแม้จะทนอยู่กับความหิวของร่างกายได้แต่ความทุกข์ทางใจมันก็ไม่หายไปในที่สุดก็เลยต้องมาย้อนกลับมาดูที่ใจเพราะความทุกข์มันอยู่ที่ใจและสาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ก็อยู่ที่ใจ ถ้าชำระสาเหตุที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ความทุกข์มันก็หายไปได้สาเหตุก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี่เองที่ต้องการที่จะเป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจที่จะต้องใช้ปัญญาอันแหลมคมของพระพุทธเจ้ามาชำระมันต้องใช้ใจรักต้องใช้อริยสัจสี ถึงจะสามารถชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้นพอหลังจากได้คน้นสูตรอันประเสริฐนี้แล้วพระองค์ก็เลยเอ า, เอามาแจากใจ่ายให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่สนใจพอได้ยิได้ยินได้ฟังพอนำเอาไปใช้กับใจของตนเอง ก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจให้หายไปหมดได้กลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาพอเป็นพระอริยสงสาวกแล้วก็ทําหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ช่วยสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงทําให้พระพุทธศาสนานี่จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีการ เปิดวิทยาเขตเต็มไปหมดสมัยพุทธกาลแทบทุกเมืองนี่จะมีการศึกษามีการปฏิบัติเมื่อก่อนนี้ไม่มีศาสนาพุทธเลยแม้แต่ที่เดียวที่ไหนก็ไม่มีแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ท่งนำเอาคำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนปั๊บเนี่ย พอมีผู้เรียนจบปั๊บก็ไปเปิดสาขากันพระพุทธเจ้าบอกว่าให้แยกกันไปคนระทิศคนละทางภาษาวกที่เวลามาฟังทำแล้วบรรลุธรรมพร้อมๆกันทีละห้ารูปบ้างสิบรูปบ้างทีละห้าร้อยรูปบ้างพอบรรลุแล้วขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ก็ทรงตรัสว่าจงแยกไปคนละทิศคนละทางกันอย่าไปด้วยกันอย่าเกาะกลุ่มกันไปต้องการให้ไปเผยแพร่เผยแพ่ความรู้อันประเสริฐนี้ให้ไปได้ไกลๆและไปได้หลายจุดเนี่ยถ้าไปร่วมกันไปมันก็จะกระจกอยู่บอกให้ไปแยกกันไปาศาสนาพุทธก็เลยมีสาขาเต็มไปหมดเนี่ย แทบทุกเมืองจะมีมีพระ อ, อริยสงสาวกไปไปตั้งสำนักไปไปตั้งสาขาแล้วพอมีผู้ศึกษามาสมัครเรียนก็สอนสอนกันไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวก็บรรลุอย่าไปคิดว่าต้องมาเรียนแบบสมัยนี้เนี่ยสมัยนี้เข้าใจผิดนะหลงทางต้องเรียนเก้าปีสิบสองปีนู่นเน่ เรียนนักธรรมปีหนึ่งพรรษาหนึ่งเรียนนักธรรมตีพรรษาสองเรียนนักธรรมโทพรรษาสามเเรียนนักธรรมตีเสร็จแล้วก็ไปต่อบาลีหนึ่งสองสามไปถึงเก้าอันนี้ไม่รู้เรียนไปทำอะไรเรียนไว้เพื่อรักษาพระไตรปิฎกรักษาคำสอนแต่ไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเอามากำจัดความทุกข์ของตนเองเรียนแบบท่องจำเรียนแบบนกแก้ว รู้ธรรมะต่างๆแต่ไม่รู้จากวิธีใช้ธรรมะต่างๆมาดับความทุกข์ใจของตนเวลาจะไปสอนคนอื่นให้เขาดับความทุกข์ใจก็สอนไม่ได้สอนเขาก็เอาไปดับไม่ได้เพราะมันไม่ได้เรียนวิธีดับเพียงแต่เพียงแต่ท่องชื่อของวิธีดับเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เอาไปใช้ในการดับความทุกข์ ก็เลยทำให้ผู้มาศึกษานี้ก็ห่อเหี่ยวใจศึกษาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจิตใจก็ยังมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นการเรียนแบบผิดทางนะการเรียนที่ถูกทางนี้ไม่ต้องเรียนมากนะข้อที่หนึ่งพระเจาเจ้าสอนอะไร สอนว่าให้ละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงมันยากแค่ไหนบาปมันมีกี่ข้อไปเรียนดูซิมีห้าข้ อ, อใช่ไหมอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าเดิมสุรายาเมาและเพื่อนของสุรายาเมาคืออบายามุขเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนความเกลียดค้าน การคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนี่ยให้ละการกระทําเหล่านี้เท่านั้นเองก็ตรวจสอบเลยทําข้อสอบได้เลยวันนี้เรียนตอนนี้ปั๊บญาติโยมลงไปทําข้อสอบดูทําได้ไหมห้าข้อนี้หกอบายามุขห้าแล้วก็บาปสี่บาปก็คือไม่ฆ่าสัตว์ได้ไหมไม่รักทรัพย์ได้ไหมไม่ประพฤติผิดประเวณีได้ไหม ไม่พูดปลดโกโหกหลอกลวงได้หรือเปล่าอแล้วก็ไม่เสพประบายยามุกได้ไหมไม่ดื่มชลายาเมาเอดี๋ยวนี้สมัยนี้นิยมกันเห็นดื่มกันรู้สึกไม่รู้จะดื่มไปเพื่ออะไรเดิมเพื่อให้ปวดหัวปวดศีรษะเพื่อให้มึนเมาไม่ได้บวดเพื่อให้มี ความสวยงามแต่อย่างใดบวชแล้วก็กลายเป็นคนเสียสติไปเหมือนคนบ้าแต่ก็นิยมกันไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเพราะโมหะอาวิชชาความหลงผิดคิดว่าการดื่มชลานี้จะทําให้ตนเองเป็นคนเก่งคนฉลาดคนกล้าคนที่ไม่ดื่มสลานี้ปแสดงว่าเป็นคนไม่กล้ากล้ากับความบ้ากล้ากับความเสียสติ คนฉลาดเขาก็ไม่กล้ากันนี่มีแต่คนโง่ที่ที่กล้ากับความบ้ากับความเสียสติกับความทุกข์กับความหายาชนะคนตายเพราะดื่มชรามากน้อยเพียงไร่เห็นไหทุกปีเห็นไหมเวลามีเทศกาลปีใหม่สงการนี่มีสถิติโจดกันเวลาเนี่ยปีนี้คนจะตายกันกี่คนตายเพราะอะไรตายเพราะเมาแล้วขับกันนี่นี่ก็เห็นชัดๆอยู่อะ ก็ยังไปกลับไปยกย่องสรรเสริญเชิดชูคนเด่มชุลาว่าเป็นคนเก่งคนกล้ากันคนไม่เด่มชูลากับกลายเป็นคนอคนขี้คลาดไปอันนี่เนี้ยเนี้ยข้อแรกนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่ต้องไปเรียนมากตอนนี้ก็เรียนจบแล้วเนี่ยเอาไปทําเนี่ยอบับศีลห้ากับอบายยมุกเนี่ยทําได้ไหม ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ดื่มสุราไม่พูดปดเไม่เที่ยวเตะเอาเวลามาทามาศึกษาธรรมะดีกว่าถ้าจะไปเที่ยวมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมดีกว่าเพราะมีงาน อ, อีกสองข้อที่จะต้องทำอยู่เนยเอาเวลามาทำบุญทำกุศลดีกว่า เอาเวลามาทำประโยชน์ดีกว่าจะได้ความสุขมากกว่าการไปเที่ยวการไปดื่มสุราการไปเสพอบา ย, ยมุขต่างๆนี่หละเรียนแค่นี้เองไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนกันท่องตำลับตำรากันกิดนอนไม่หลับกันถึงเวลาใกล้สอบอพอสอบผ่านไปแล้วก็ลืมหมดใช่ไหมเรียนมาต้องมาจำไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็ลืมหมดเพราะไม่ได้เอาไปใช้ แล้วมันไม่จําเป็นจะต้องใช้เนะไม่จําเป็นจะต้องเรียนให้เรียนแค่สามข้อเนี้ยพระพุทธเจ้าสามสอนสามข้อเท่านั้นเองข้อหนึ่งให้ละการกระทําบาปและอบายามุกทั้งปวงเท่านั้นเองลองไปละดูณทําทได้หรื อ, อยังข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมคือให้ทําความดีต่างๆ แล้วจะทำให้ความรู้สึกจกิดชืดของชีวิตนี้มีชีวิ ต, ช, วตชีวาขึ้นมาอย่าไปสร้างชีวิตชีวาด้วยการไปเสพอบายามุขด้วยการไปเที่ยวด้วยการไปเสพรูปเสียงกลิ่นนสดเพราะว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์นั่นเองเพราะสิ่งที่ไปเสพนี้เป็นเป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วก็จะติดและเวลาที่ไม่มีเสพก็จะทุกข์ขึ้นมา เคยเคยหาความสุขจากการไปเที่ยวพอมีอุปสรรคไม่สามารถไปเที่ยวได้ทีนี้ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็ไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ไปเที่ยวก็จะเกิดขึ้นมาแทนแต่ถ้าไม่ไปเที่ยวไปทำบุญทำกุศลไปทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการทำบุญทำทานด้วยการไปทำงานเป็นผู้ เสียสละเป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครทำประโยชน์อะไรต่างๆก็ทาให้เกิดมีความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขแบบไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะไม่ได้เป็นยาเสพติดเสพแล้วไม่ติดการทำบุญนี้ทำเท่าไหร่มันจะไม่ติด เวลาไม่ได้ทำมันจะไม่รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจมันจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเหมือนกับการติดการเที่ยวเวลาเที่ยวแล้วติดเวลาไม่ได้เที่ยวแล้วมันจะหงุดหงิดมันจะเสืมเศร้ามันจะว้าเหว่แต่คนที่ทำบุญนี้เวลาไม่ได้ไปทาบุญจะไม่ว้าเหวจะไม่เสืมเศร้าอยู่บ้านก็เฉยๆได้แลวมีความสุขจาก การคิดถึงบุญที่ได้ทาเอาไวก้ก็เกิดความสุขขึ้นมาได้ น, นี่คือเรียนรู้เพียงเท่าที่จําเป็นแล้วเอาไปปฏิบัติดีกว่าเรียนรู้อะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปใช้อย่างไรรู้หมดว่ามีอะไรบ้างธรรมะกี่ข้อมีกี่ชนิดรู้หมดแต่ไม่รู้ว่ า, าไปใช้อย่างไรเรียนเาไปทำไมเ อ, เอาแต่เฉพาะธรรมะที่เราต้องเอาไปใช้จริงๆดีกว่า สามข้อข้อที่หนึ่งก็ณนะการกระทำบาปรักษาศีลห้าแล้วก็เลิกเสพอบายามุกทดลองตั้งแต่คนที่ติดหวยเนี่ยงวดหน้าลองเลิกซื้อหวยได้ไหมหลักซื้อหวยคนที่ติดเที่ยวเเดี๋ยวจะมีหยุดสามวันนี่อย่าไปเที่ยวได้ไหอไปเข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมได้ไหมไปทําบุญทํากุศลแทนได้ไหม แค่นี้แหละไม่ต้องเรียนมากเนี่ยคำเรียกปริยัติแค่เรียนให้รู้เท่าที่จำเป็นดีกว่าส่วนที่ยังไม่จำเป็นเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาที่จะต้องรู้แล้วค่อยไปเรียนต่อได้เรียนแบบสดๆร้อนๆดีกว่าเรียนมาจดจำเดี๋ยวมันก็ลืมหายไปหมดข้อที่หนึ่งให้รู้ว่าการไม่ทำบาปกับอบายามุขเป็นอย่างไรเลิกเลิกทาบาปเลิกเสพอบายามุข แล้วข้อที่สองก็ไปทำบุญด้วยวิธีการต่างๆมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายให้คนที่เขาขาดแคลนให้เขาได้มีความสุขบ้างได้บรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาบ้างไม่มีเงินมีทองแต่มีวิชาความรู้ก็เอาไปสอนคนที่ไม่มีความรู้ได้ไม่มีความรู้แต่มีเวลาว่างมีกําลังกายที่แข็งแรง เราไปทำประโยชน์รับเป็นอาสาสมัครบอกเตกตึงไปเก็บศพไปส่งคนโรงพยาบาลเวลามีไฟไหม้น้ำท่วมก็ไปช่วยกันขนข้าวขนขอ ง, ของไปแจกไปจ่ายอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทำแล้วจะมีความสุขดีกว่าอยู่เฉยๆหรือดีกว่าไปเที่ยวกันพอไปเที่ยวแล้วเวลาไม่มีเงินเที่ยวก็จะเดือดร้อน น, นี่คือข้อที่สองหัดทำความดีกันข้อที่สามมาชำรากิเลสตัณหากันโมหะอาวิชชาอันนี้การชำระนี้จะต้องใช้การภาวนาการปฏิบัติธรรมต้องมีการรักษาสิขั้นสินแปดขึ้นไปถึงจะสามารถภาวนาได้ภาวนาก็มีสองระดับสมถะกับวิปัสสนา สมถะเป็นอันดับแรกง่ายกว่าวิปัสสนาและเป็นขั้นบันไดที่จะต้องผ่านถึงจะไปสู่วิปัสสนาได้ต้องทําใจให้สงบให้มีพลังให้มีความสุขและให้มีความกระจ่างใจเวลาสงบนี้มันจะเหมือนเหมือนแว่นที่ได้รับการเช็ดแว่นที่มันสกปรกนี้แว่นที่มัวนี้เวลามองอะไรมองไม่ชัด แต่ถ้าไปเอาอะไรไปเช็ดให้มันสะอาดก็จะเห็นอะไรได้ชัดเจนใจที่มีโมหะวิชาปกคลุมอยู่นี่มันจะเป็นเหมือนแว่นที่มีสิ่งคราบสปกปรกติดอยู่ที่แว่นจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงนั่นเองใจของที่ใจไม่มีความสงบก็จะมองเห็นกับตาลับปัดไป เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที IF IF ่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราแต่พอมาทำสมถธภาวนาทำจิตให้สงบกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่ครอบงำใจก็จะตกตะกอนจะหยุดทำงานพอหยุดทำงานใจที่มืดมัวด้วยกิเลสตัณหาโมหะวิชชาก็ใสขึ้นมาก็ สามารถเห็นความเป็นจริงได้พอปัญญาสอนว่าไอ้นี่ไม่เที่ยงก็จะเห็นว่าไม่เที่ยงไอ้นี่เป็นทุกข์ก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์ไอ้นี่ไม่ใช่ของเราก็จะเห็นว่าไม่เป็นของเรานพอขั้นต้นยังต้องผ่านสมถะก่อนต้องทำใจให้ใส่ก่อนถ้าเป็นแว่นตาก่อนจะอ่านหนังสือนี่ต้องเอาเช็ดแว่นตาให้มันใส่ก่อนถ้าไม่เช็ดแล้วเดี๋ยวอ่านกอไก่เป็นขอไข่ไป คอควายเป็นคอคนไปเพราะมันตัวคล้ายๆกันอันนี้ก็เหมือนกันใจต้องใสก่อนใจต้องสงบนิ่งแล้วมันเหมือน น, น้ำนิ่งน้ำนิ่งใสไม่ใสน้ำเวลาไม่นิ่งมันขุ่นมันจะมีตะกอนผสมกับน้ำขึ้นมาแต่พอทำให้น้ำมันนิ่งบั๊บนี่ตะกอนก็จะตกแยกตัวออกจากน้ำไปน้ำก็จะใสขึ้นมา นี่แหละความจำเป็นความสำคัญของการเจริญสมถภาวนาการทำใจให้สงบก่อนต้องทำใจให้สงบแล้วใจจะใสใจจะเห็นอะไรตามที่ปัญญาสอนปัญญาบอกไอ้นี่เป็นทุกข์ก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์ไอ้นี่ไม่เที่ยงก็จะเห็นว่าไม่เที่ยงไอ้นี่ไม่ใช่ของเราก็จะเห็นว่าไม่เป็นของเราไอ้นี่ไม่สวยไม่งามก็จะเห็นว่าไม่สวยไม่งามไอ้นี่สกปรกไม่น่ารับประทานก็จะเห็น แลพอเห็นความจริงนะทีนี้ความอยากมันจะมาหลอกให้ไปรักไปชอบได้อย่างไรให้ไปรักไปชอบของที่โสกปรกได้อย่างไรให้ไปรักไปชอบของที่ไม่สวยไม่งามได้อย่างไรนี่แหละคือเรื่องของการชําระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจต้องทําด้วยการจิตตภาวนาสมถภาวนาทําจิตให้ใสให้สว่างแล้วก็ วิปัสสนาเอาความจริงมาสอนใจสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นร่างกายของคนไม่มีใครสวยไม่มีไม่มีร่างกายของใครสวยงาม ส่วนที่ไม่สวยงามไม่มองกันไม่มองแต่ส่วนที่สวยงามอาหารที่น่ารับประทานมันก็ไม่น่ารับประทานถ้าไปมองส่วนที่มันไม่น่ารับประทานปัญญาจะสอนหมดกิเลสไม่สามารถมาหลอกให้เรามาหลงมาลักมาชอบกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้พอกิเลสตัณหาตายไปหมดความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็หายไปหมด นี่แหละหลักสูตรง่ายๆของพระพุทธศาสนาแต่ยากที่การนำเอาอไปปฏิบัติทนั้นเองสี่ห้าข้อมันยากตรงไหนยากเพราะว่าไม่เคยทำไม่อยากทำชอบทำผิดศีลกันมันก็เลยเวลาจะมาทำให้ถูกมันทำไม่ได้เท่านั้นเองแต่ฝืนได้มันไม่เคยมันไม่เคยทำก็บังคับมันทำ คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นว่าดีกาไปทำทาบาปแล้วทุกข์ไม่ทำบาปแล้วไม่ทุ ก, ก, กทลล ข, ทลลข์อันไหนจะดีกว่ากันทำบุญแล้วสุขไม่ทำบุญแล้วไม่สุขอันไหนจะดีกว่ากันปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสตัณหาตายหมดความทุกข์หายหมดกับการไม่ปฏิบัติอันไหนจะดีกว่ากันต้องใช้เหตุใช้ผลมาสอนใจแล้วมันจะเกิดกำลังใจขึ้นมาเองแล้วมันก็จะสามารถ ทำหน้าที่ของนักเรียนของพุทธศาสนของพระพุทธศาสนาได้ไม่หนีโรงเรียนกันทุกวันนี้พวกเราหนีโรงเรียนกันถ้ายังทำสามข้อนี้ไม่ได้หรือไม่ยอมทำกันแสดงว่ายังหนีโรงเรียนอยู่นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวหาปุราปริุเผลติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติยิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตุสัพเพปุรนตุส so ังกปาจันโทปันาราโสยาถามณีโชติ อารโสยะาสัพีติโยวิวัชันตุสัพปโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารายสุขีทิฆายุโกภวะ อะพิวาทนสีลิตสนิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวัทานติอายุวันโนสุขังภาลังต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถามไปจนกว่าเราจะเลิกประชุมกันถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ถ้าเลิกประชุมแล้วขออนุญาตไม่รับคาถามไม่ตอบคำถามจะหาว่าใจจืดใจดำไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องทำภารกิจอย่างอื่นและไม่สะดวกที่จะตอบในช่วงนั้นอันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ เจ้าค่ะทางเฟ e บ o o k 481ย t u b บ354วิทีโอออนไลน์15แล้วฟังบนเค้า39รวมทั้งหมด889ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากคุณจิงขอบเจ้าค่ะกรับนมัสการ ข, ขอโอกาสครับจิตในปรมัติธรรมสี่เทียบเป็นตัวใดในขันห้าครับ อไม่ต้องไปเทียบมันหรอกทาละการก็ทำบาปให้ได้เถิดแล้วก็เนี่ยชอบไปเรียนรู้ไอ้เรื่องที่มันไม่ควรจะต้องรู้รู้ว่าอบายามุกมีกี่ตัวดีกว่าหรือว่าบาปมีกี่ตัวทำได้หรื อ, อยังถ้าทำแค่นี้ไม่ได้จะไปรู้ไอ้ปลมกประมะัดมันทำไมรู้ก็เท่ากับเป็นความรู้ท่วมัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยเรายังไม่รู้เลยที่ไม่ตอเพราะว่าเราไม่รู้ แล้วไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ใจไหมก็เลยไม่ไปรู้มันนะความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะรู้ไปทำไมรู้เพื่ออวดความฉลาดเนยะนั่นแหละคือการอวดความโง่เ้ยอย่าไปรู้มันเดีกยวกะรู้ว่าเราไม่ทำบาปได้หรื อ, อยังรู้ว่าเราไม่เสพอบายามุกได้หรื อ, อยังดีกว่าคาถามต่อไปจากคุณชนัญญาเจ้าค่ะกราบนมัสตากราบกราบเรียนสอบถามเจ้าค่ะ ว่าถ้าเราเคยบริจาคเงินร่วมทําบุญกับมูลนิธิองค์กรหนึ่งแต่ผ่านมาหลายปีแล้วเราเห็นว่าองค์กรนั้นไม่ได้นําเงินไปใช้ในงานบุญอย่างที่เขาเคยแจ้งไว้แต่ไปทําอย่างอื่นเราสามารถขอเงินก้อนนั้นคืนได้หรือไม่เจ้าคะ่ะจะบาปกับเราไหมเจ้าคะ่ะก็จะเสียบุญที่เราทําไปเราทําบุญไปให้เขาแล้วเราได้บุญแล้วไม่ต้องไปข อ, อกลับแล้วเขาจะไปทําอะไรไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว ไปเอามาคืนเดี๋ยวแทนที่จะบุญที่ได้ก็หายไปแล้วดีไม่ดีความนึบเป็นเรื่องเป็นราวกันก็ตามมาเดี๋ยวก็กลายเป็นเวรเป็นกรรมกันขึ้นมาอีกเห็นให้ไปแล้วก็ให้ไปถ้าก็ไม่ไปทําตามที่เราบอกที่เขาบอกก็แสดงว่าเขาหลอกลวงเราก็แล้วกันเราก็อย่าไปทากับเขาอีกค่ะคาถามต่อไปจากคุณเอสพีเจ้าค่ะ ลูกกราบเรียนถามปฏิบัติธรรมถือสินแปดจะทาครีมกันแดดได้ไหมเจ้าคะทาไปทำไมลนะ่ะพระแม่น้องทานละยเราไม่เคยทาที่ครีมกันแดดนะไม่ไปทาไปทำไมผิวแตกแลเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวไม่กี่ปีมันก็เหี่ยวย่ น, นไปดูคนแก่บ้างเลยต่อไปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นกันอย่งนั้นไปทามันมันมันกันเหี่ยวได้ไหน่อเดี๋ยวถึงเวลามันจะเหี่ยวมันก็เหี่ยวอยู่ดี คำถามจากคู่ไม่ประสองค์ออกนาเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งคะ่ะหนูเห็นว่าโมหะเป็นเหตุแรกแห่งทุกข์จากตัณหาด้วยผลคือการเกิดถ้าไม่มีโมหะแล้วตัณหาอาวิชชาโทสะโลภะก็จะไม่เกิดใช่หรือไม่เจ้าคาเพราะนั่นแหละโมหะคือความหลงผิดะเห็นว่าราบยศรเสรสุขนี่เป็นสุขเลยกลับมาเกิดมาหากัน พอมีปัญญารู้ว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่กลับมาเกิดมาหามันอย่างน้คคำถามที่สองเจ้าคะหนูเห็นบ่อยๆว่ากายนี้ไม่เที่ยงจิตที่เกิดขึ้นดับนี้ก็ไม่เที่ยงมีการผันแปรตลอดสองสิ่งนี้ยึดไว้ไม่ได้ไม่ใช่ของเราสิ่งนี้คือทุกข์หนูต้องใช้สามวิธีที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้นี้เพื่อดับทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะก็ยังยึดมันอยู่หรือเปล่า ก็ลองทดสอบดูทําการบ้านดูเวลามันเป็นอะไรวุ่นวายไปกับมันหรือเปล่าคํถาถามจากคุณนาวินเจ้าคะ่ะนั่งฟังอยู่บ้านกลับไปฟังเทศที่วัดมีค่าเท่ากันไหมครับมันไม่ได้อยู่ว่าที่ที่ไหนฟังอยู่ว่าฟังแบบมีสติไม่มีสติ ฟังไม่มีสติฟังแล้วใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม้ว่าฟังที่ไหนมันก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าฟังด้วยสติฟังที่ไหนมันก็มันก็ได้เรื่องได้ความรู้ยันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ที่เราฟังอยู่ที่ฟังด้วยสติหรือไม่มีสติถ้าฟังแบบไม่มีสติก็ฟังแบบทับทีในหม้อแกงไม่รู้เรื่อง ถ้าพีรู้แกงที่มันอยู่แช่อยู่นะั้นมันแกงอะไรถ้าฟังด้วยสติก็จะฟังเหมือนลิ้นกับแกงพออะไรมาสัมผัสกับลิ้นแม่เพียงหยดเดียวก็รู้แล้วโอ้ยเผ็ดโอ้ยหวานอันนี้ก็เหมือนกันถ้าฟังด้วยสติพอได้ยินปั๊บเข้าใจปุ๊บบรรลุทำได้เลยคำถามต่อไปจากคุณรัตนาเจ้าค่ะปัญญาวิปัสสนาสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องนั่ง นั่งหลับตาสมาธิได้ไหมเจ้าข่ะพระอาจารย์เวลาจเจริญปัญญาไม่ต้องนั่งหลับตาแต่ก่อนจะเจริญปัญญาได้ต้องไปเช็ดแว่นคือจิตให้มันใสก่อนต้องไปทําสมาธิก่อนให้จิตมันใสแล้วพอพอมองอะไรก็จะเห็นตามความเป็นจริงเวลาปัญญาบอกนี่ไม่เที่ยงก็จะเห็นว่าไม่เที่ยงนี่เป็นทุกข์ก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่ของเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่เป็นของเรา คำถามจากคุณบุญญาภาค่ะทุกครั้งเวลาดูคลิปพระอาจารย์ออกบิณฑบาต จ, จะสังเกตเห็นพระอาจารย์ให้ขนมเด็กทุกคนดูทุกครั้งน้ำตาจะไหลค่ะเป็นเพราะอะไรคะก็เหมือนกับดูหนังบางเรื่องเห็นแล้วน้ำตาก็ไหลนี่ก็หนังเหมือนกันดูคลิปก็เป็นทีวีเป็นวิดีโอเป็นหนังพอเห็นหนังเป็นเรื่องที่ถูกใจเรามันก็น้ําตาก็ไหล คำถามจากคุณธนดลเจ้าค่ะถ้าระหว่างวันภาวนาไตราสารนาคมแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาพุทโธอย่างนี้ได้ไหมครับอย่างไหนก็ได้ขอให้จิตมันไม่คิดขอให้มันสงบก็แล้วกันดูที่ผลก็แล้วกันอย่ายไปดูที่แบบดูที่แบบนี้ใช้แล้วมันสงบไหมถ้าไม่สงบก็ไม่ได้ผลก็ต้องลองอีกแบบนึ่ง ถ้อีกแบบไม่ได้ผลถ้าทุกแบบไม่ได้ผลก็สแสดงว่าไม่ใช่แบบแล้วมันอยู่ที่เราแล้วเราไม่มีสติพอที่จะควบคุมใจให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้ได้จะเปลี่ยนกียอารมณ์มันก็ไม่เกิดประโยชน์ไรคคำถามจากคุณ M R K K 747เจ้าค่ะขอเรียนถามจากคนที่ไม่มีศีลเมื่อมาหัดนั่งสมาธิได้ไม่นานก็กลับเป็นคนเคร่งศีลห้าเป็นเพราะเหตุใดครับ ก็ถามตัวเองอื่นมาถามเราทำไมเมื่อก่อนไม่เข่งเดี๋ยวนี้เข่งก็ลองศึกษาดูทำไมเมื่อก่อนไม่เข่งทำไมเดี๋ยวนี้เข่งมันเรียนรู้ได้เนี่ยของอันนี้มันมีอยู่ในตัวเราคำถามต่อไปจากคุณวิชัยคะ่ะขอเรียนถามครับสินแปดเรากล่าวต่อหน้าพระในห้องพระจะถือว่าเรารักษาสินแล้วได้หรือเปล่าครับไม่หรอกการกล่าวหน้าพระเป็นการจิต แจ้งเจตนาเหมือนไปจองอไปจองที่พักนี้มีแต่ไปมีเจตนาว่าจะไปอยู่ที่นั่นที่นี่แต่ยังไม่ได้ไปอยู่ะจะรู้ว่ามีสินแปดหรือไม่ก็ดูตอนที่มันถึงเวลาเย็นจะหิวข้าวเย็นเนี่ยมันจะกินหรือไม่กินอพอเย็นแล้วเห็นข้าวเย็นอยากจะกินก็นึกได้ว่าวันนี้ถือสินแปดไม่กินอพอไม่กินข้าวเย็นอตอนนั้นแหละถึงจะรู้ว่าเรารักษาศิลแปดได้แล้ว ไม่ใช่ไปนั่งไปนั่งต่อหน้าพระตอนเช้าบอกวันนี้จะรักษาศีลแปดเนี่ยแต่ว่าตกเย็นลืมเช่แล้วเห็นชิวเข้าขึ้นมาตาลาย คำถามต่อไปจากคุณพิชยาเจ้าคะ่ะลูกชายเสียชีวิตก่อนบวชแบบนี้เรียกว่าบุญไม่ถึงผ้าเหลืองใช่ไหมคะแล้วถ้าเราถวายชุดบวชกับคนที่กําลังจะบวชนี้ลูกที่เสียชีวิตไปกับแม่จะได้บุญเหมือนกับที่เราตั้งใจจะบวชลูกชายไหมเจ้าคะไม่ได้เขาตายแล้วจะบวชได้ยังไงก็ต้องรอกลับมาเกิดใหม่เวลามีเวลาบวชไม่บวชกันใช่ไหม พอเวลาตายแล้วจะมาบวชกันเฮ้ยพระเราจเาบอกอย่าประมาทให้นึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆคนเรามีโอกาสตายได้ทุกเวลานาทีไม่ใช่ว่าจะต้องแก่ตายเห็นถ้าอยากจะทำอะไรรีบทำเสียตั้งแต่ตอนที่ที่เรายังทำได้เราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายใจตายไปแล้วทำอะไรไม่ได้คาถามจากคุณอิสรีเจ้าค่ะ ครับพระอาจารย์ค่ะเคยฝันเห็นย ม, มทูตโจงแดงมารับตัวขึ้นรถไฟเหมือนอยู่ในความตายจริงแล้วเขาบอกอีกไม่นานจะกลับมารับทําให้ตื่นมากลัวและระลึกถึงความตายง่ายมากและเร่งความเพียรมากขึ้นความฝันสามารถระลึกให้เกิดปัญญาได้ไหมคะก็มาใช้มันก็เกิดปัญญาได้ถ้าระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วรีบทําความดีรีบรับบาป ม, มันก็แสดงว่ามันก็เป็นปัญญามาคอยกระตุ้นเรา คำถามต่อไปจากคุณชอบเพชรเจ้าค่ะถ้าเราไปสวดมนต์ทำวัดเย็นกับหมู่คณะแล้วเกิดอาการสวดมนต์ไปฟุ้งซ่านต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ฟุ้งซ่านถ้าสวดมนต์มันจะไปฟุ้งซ่านได้ยังไง <c oughs> ถ้าสวดแบบใจลอยมันก็ฟุง้งนั่งพยายามดึงมันกลับมาที่บทสวดมนต์ อย่าสวดแต่ปากแล้วก็ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ต้องให้มันใจอยู่กับการสวดด้วยไม่ใช่สวดแต่ปากอย่างเดียวสวดทั้งปากสวดทั้งใจเหมือนถึงจะไม่ฟุ้งซ่านคำถามจาก TK and Magic Channel กลับน้มัสการขอเรียนถามว่ามีอุบายอย่างไรให้เห็นเรื่องการตั้งอยู่และดับไปให้ง่ายที่จะเข้าใจก็ดูเงินเดือนที่เราได้มาสิ เวลาได้มามันก็ตั้งอยู่ใช่ไหมแล้วพอสิ้นเดือนมันก็หายไปหมด <laughs> คําถามจากคุณชอบแพตเจ้าค่ะทําอย่างไรให้เลิกคิดถึงอดีตที่เจ็บปวดซ้ําๆได้คะเวลาคิดก็พุโทโธไปเลยเวลาจะคิดถึงอดีตก็พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปมันก็ไปคิดไม่ได้หมนแล้วเลยค่ะนะความไม่เที่ยงนี้เห็นทุกตลาดเวลาเนี่ย ลมพัดใบไม้พัดนี่ก็ไม่เทียงแะ้เมื่อกี้มันไม่พัดใช่เดี๋ยวนี้มันพัดแลอวนี่ก็แสดงว่ามันไม่เทียงแล้วอเดี๋ยวมันหยุดพัดก็ไม่เทียงอีกละนี่มันเปลี่ยนไปตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอย่างเสียงที่เราพูดนี้เวลาพูดมันก็ตั้งอยู่พอหยุดพูดมันก็หายไป มันตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกม้อกายนี่มันเปลี่ยนมันเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆมันไม่มันไม่เหมือนเดิมอันนี้ต้องดูงนะของต่างๆที่เราซื้อมาไปซื้อมาใหม่ๆก็ใช้ได้ดีใช้ไปสักพักก็เริ่มเสียแล้วตกรุ่นนะเห็นหมต้องต้องซื้อของใหม่แนละ้วนี่ตัวอย่างของความไม่เที่ยง มีคำถามเข้ามาจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเจ้าคะถ้าเราจะนั่งสมาธิจําเป็นไหมเจ้าคะว่าต้องนั่งต่อหน้าพระพุทธรูปหรือในห้องพระเจ้าคะพระพุทธเจ้าเวลาตัดสั้ท่านมีพระพุทธรูปนั่งหรือเดิเปล่าไม่จําเป็นละนั่งนี้ต้องนั่งด้วยสติไม่ได้นั่งด้วยพระพุทธรูปอถ้ามีพระพุทธรูป ร, ร้อยองค์แต่ไม่มีสติก็ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้ามีสติองค์เดียวไม่มีเพราะสรูปอันนั้นนะ่ะมีประโยชน์กว่าจุดสำคัญของการนั่งสมาธิก็คือการมีสติมีสติที่จะคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดได้คอยบังคับให้จิตอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพุทโธหรือเป็นลมหายใจเข้าออกให้มันอยู่กับกรรมฐานอย่างนั้นไป นีจะนั่งที่ไหนกับใครหรือไม่มีใครไม่เป็นไม่เป็นประเด็นสำคัญสาคัญอยู่ที่สติตัวเดียวนี้สตินี้จำเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่สาคัญทั้งที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายคำถามจากคุณวรากรเจ้าค่ะผมนั่งสมาธิแล้วมีกิเลสเข้ามาในความคิดผมใช้ขันห้าอนุโลมปฏิโลมพุทโธกํากับ ในความคิดเพื่อกําจัดกิเลสถือว่าถูกต้องไหมครับถ้มันหายไปก็ถูกต้องนะครับหมดแล้วนวิธีกําจัดกิเลสมันมีหลายวิธีเครื่องมือหลายวิธีแต่ถ้าจะกำหลัดกําจัดแบบให้มันไม่กลับมาเลยนี้มีวิธีเดียวต้องใช้ไตรลักษณ์เท่านั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่กิเลสอยากได้พอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา มันก็จะทำให้เราไม่อยากได้แต่ถ้าเราใช้วิธีอื่นเช่นบริกรรมพุโทโธท่องอาการสาสิบสองไปมันก็เพียงแต่หยุดมันชั่วคราวพอเราหยุดท่องมันเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ได้คำถามต่อไปจากคุณฝนเจ้าค่ะกราบเรียนถามครับ ถ้าเราฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วดูจิตเรามันเหมือนจะจมลงอยากนั่งสมาธิทำสติให้อยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆจะเป็นแทบทุกครั้งที่ไปฟังธรรมกับพระที่ท่านปฏิบัติดีแบบนี้เราควรแก้ไขหรือพัฒนาต่อไปอย่างไรครับถ้ารู้ว่าเราต้องปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปดอวอจิตเราไม่ดีเราก็ทำให้มันดีได้ฝึกสติไปพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาอง คำถามจากคุณชาลินเจ้าคะถ้าเราสมาทานสินแปดหน้าพระพุทธรูปเองที่บ้านแต่ไม่ไปสมาทานสินที่วัดจะได้อ น, นิสงฆ์ไหมเจ้าคะมันไม่ได้อยู่ที่สมาทานอ น, นิสง์อยู่ที่การรักษาถ้าสมาทานแล้วไม่รักษามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องรักษาคำว่าสมาทานนี้แปลว่าความตั้งใจหรือทำทาสัญญาไว้กับพระว่าวันนี้จะรักษาสินแปด ถ้าทำสัญญาแล้วไม่ไม่รักษาสัญญามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการนี้เราทำสัญญากับพระเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าทำสัญญากับตัวเราแล้วเราจะหลอกตัวเราได้แต่ถ้าเราทำสัญญากับพระแล้วเราจะไม่กล้าหลอก แต่บางคนเขามีความมั่นใจในตัวเขาเองเขาไม่ต้องไปสมาทานกับพระก็ได้เขาสมาทานกับตัวเขาเองก็ได้วันนี้กูจะรักษาศีลแปดมึงจะว่ายัางไงอรักษาได้เปล่ารักษาได้ก็รักษาไปก็เท่านั้นเองเนีมันเยอะเป็นเปนเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะทําอะไรเราก็ต้องคิดก่อนต้องตั้งเป้าไว้ก่อนว่าวันนี้จะทําอะไรถ้าไม่ตั้งเป้ามันก็ไม่มีอะไรมาบังคับเดี๋ยวถึงเวลาเย็ยนอยากจะกินข้าวเย็ยนก็กินได้ อยากจะดูหนังก็ดูได้แต่พอตั้งเป้าวัาวนนี้จะถือศีลแปดปั๊บพอจะถึงเวลาจะกินข้าวเย็นก็ไม่กินแล้วจะดูหนังก็ไม่ดูแล้วคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาำเจ้าค่ะฟังธรรมฟังการตอบปัญหาธรรมจิตสงบเช่นนี้เรียกว่าการเจริญสติใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจหรือไม่ถ้าฟังแล้วเข้าใจก็ได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญา ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจแต่จิตสงบ ก, ก็ได้สติได้สมาธิการฟังทำได้ประโยชน์สองแบบแบบสมาธิหรือแบบปัญญาฉนั้นอยู่ที่ว่าเรื่องที่เราฟังเราเข้าใจหรือไม่ถ้าเราไม่เข้าใจแต่ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นพยายามฟังไป ถ้าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังไปไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ใจก็สงบได้เป็นสมาธิได้แต่ยังไม่เป็นปัญญาแต่ถ้าฟังไปฟังไปนึกภาพตามได้เห็นเห็นตามที่เขาพูดได้เข้าใจเข้าใจเอามาดับความทุกข์ได้ก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมาคําถามจากผู้ฝากถามเจ้าค่ะความกลัวกับความประมาทมีความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะ ความกลัวก็กลัวแต่ประมาทมันก็คนทำเรื่องคนมันจะเป็นความหมายเดียวกันได้ไงประมาทหรือประมาทประมาทใชค่ะประมาทนะความประมาทก็แปลว่าความไม่ระมัดระวังไม่มีสติเรียกว่าประมาททาอะไรแบบไม่รอบคอบความกลัวก็คือเนี่ยความไม่กล้าคําถามจากคุณธีราชา่าเจ้าคะ่ะ ตอนนี้มีรายการตามดูพูดผีตามโบราณสถานต่างๆผู้ ด, ดำเนินรายการอ้างว่าเป็นวิญญาณแบบเป็นเรื่องเป็นราวมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องจริงไหมครับไม่รู้นะเราก็ไม่ได้ไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้เท่าไหร่ถ้าถามเราเราก็ไม่สนใจมีก็มีไ ม, ม่มีก็ไม่มีมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงความสุขความทุกข์ของเรา งนเสีไม่เสียเวลาเปล่ า, ลามาติดตามวิญญาณของเราดีกว่าว่าตอนนี้มันกําลังเป็นเปรตหรือเป็นผีหรือหรือเป็นเทพดีกว่าคําถามจากคุณป้องเจ็ดแปดพระอาจารย์เคยถามปัญหาพอวานากับหลวงตาในขณะที่อยู่บ้านตาบ้างไหมครับเวลามีปัญหาติดขัดในการภาวนาอ๋อไม่เคยเลยหลวงตาท่านแสดงทำอย่างละเอียดฟังแล้วเข้าใจไม่ต้องไปถามไม่เสียเวลา คำถามจากคุณเล็กเจ้าค่ะกรณีที่ถวายของพระไปแล้วแต่มานึกได้ว่ามีของใช้ส่วนตัวยังไม่ได้ใช้ติดไปด้วยจะเป็นบาปหรือต้องไปขอขมาพระท่านไหมคะถ้าขอคืนไม่บาปหรอกถ้าเป็นของที่เราไม่ตั้งใจจะถวายอย่างวันก่อนโยมก็ถวายกุญแจรถมาให้ด้วย <laughs> <laughs> พอเขารู้ว่าเออขอกุญแจรถอยู่ในถุงถวายนี้ก็ขอมาขอคืนก็ให้คืนไป อันนี้เป็นความผิดพลาดไม่ได้มีความตั้งใจพระก็ไม่อยากจะได้กุญแจหรอกไม่ต้จะไปทำอะไรรถก็ขับไม่ได้คำถามจากคุณสุภกรกับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเรานั่งสมาธิใช้ท่องบทไหนก็ได้หรือเปล่าคะก็ได้กรรมฐานบทไหนก็ได้ที่ท่องแล้วทำให้ใจเราไม่คิดทำให้ใจเราสงบก็ใช้ได้ทุกบทเนี่ย ้าถามจากคุจริญญาอาการจิตเห็นจิตมันเป็นแบบไหนคะก็เวลาจิตมองเข้ามาในตัวจิตเองมองดูอารมณ์ของตนก็เลยจิตเห็นจิตเห็นว่าตอนนี้กำลังโกรธเนี่ยแสดงว่าจิตเห็นจิตคนบางครงโกรธไม่เห็นจิตไปเห็นคนที่ทำให้โกรธไปด่าคนที่ทำให้โกรธมันต้องมาด่าตัวจิตมึงไปโกรธเขาทาไมคนที่เห็นจิตถ้าจิตเห็นจิตก็จะไม่ไปยุ่งกับคนอื่น แต่ถ้าไม่เห็นจิตก็จะไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้ไปว่าคนนั้นว่าคนนี้ไปมีเรื่องมีราวเพราะไม่เห็นจิตของตนเองไปโทษคนอื่นว่าม า, มาทำให้เราทุกข์มาทำให้เราเสียใจไอ้ตัวที่ทำให้เราทุกข์ให้เสียใจก็คือกิเลสในใจของเรานี่เองไม่ได้ใครที่ไหนหรอกจิตเห็นจิตก็คือจิตเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจิตเห็นกิเลสเห็นความโลภความโกรธความหล ง, วลงเวลามันโผล่ขึ้นมา เห็นธรรมก็เห็นจิตเหมือนกันจิตก็เห็นจิตเห็นว่าอ๋อมีธรรมอันนี้แล้วกิเลสหายใจสงบนี่เป็นปัญญาเห็นตายรักนี่นี่ก็จิตเห็นจิตทั้งนั้นหมดแล้วเลยของพวกนี้บางทีมันเรามันข้ามขั้นหรือเปล่าเราทาขั้นที่หนึ่งที่สองได้หรือยังรักษาศีลได้หรือยังเลิกเศษประบายมุขได้หรือยังเอ ทำบุญทำทานเสียสละหาความสุขจากการทำบุญทำทานแทนที่จะหาความสุขจากการเที่ยวได้หรืออย่างได้แล้วทำจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้หรืออย่างมันถึงจะไปขั้นปัญญานู่นทาไม่ได้ขั้นเหล่านี้ไปทำมันก็ทำก็ไม่สำเร็จทำแล้วก็มาถามนี่ถามแล้วเดี๋ยวก็ลืมตอบไปเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลืมเดียกสองวันก็โผล่กลับมาใหม่ถามอยู่เรื่อยๆจิตเห็นจิตเป็นยังไง ก็ไม่รู้จะตอบอยังไงขี้เกียจตอบนะถ้ามันเป็นขั้นบรรตอนนั้นมันไม่ถามใครแล้วมันจะเห็นเองมันจะเข้าใจเองนั้นเราต้องมีฐานของรองรับปัญญาฐานจะรองรับปัญญาก็ศีลต้องบุญกุศลการทำความดีงามต่างๆแล้วก็สมาธิความสงบความใสของจิต พอจิตใสแล้วมันเห็นอะไรมันต้องไปถามแล้วนี่เป็นหมูหรือเป็นหมามันเห็นชัดอ่หมูก็เป็นหมูหมาก็หมาก็เป็นหมาแต่เวลาแว่นมันมัวนี่มันมองไม่ชัดเนี่ยบางทีเห็นหมูเป็นหมาเห็นหมาเป็นหมูได้ถ้าเราทําตามขั้นตอนของพระเจ้าแล้วแทบจะไม่ต้องไปถามใครแต่ถ้าเราทําตามข้ามขั้นตอนแบบนี้ ขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามยังทำไม่ได้ไปขั้นที่สี่นู่นไปขั้นปัญญาไปจิตรู้จิตจิตเห็นจิตอะไรต่างๆนี้ถามไปก็เสียเวลาถามไปก็ทำไม่ได้มีคำถามเข้ามาจากคุณวรากรเจ้าหากรบนมัสการพระอาจารย์ผมได้อ่านประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบหลวงปู่ตือ้อมีคาหนึ่งที่ท่านบอกว่าถ้าจะได้เกิด ถ้าจะให้เกิดนิพพานต้องระเบิดขันห้าหมายความว่าอย่างไรครับก็ปล่อยวางขันห้าไงอย่าไปยึดติดเวลาขันห้ามันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไป หน่ถ้ามันยังไม่เสื่อมไปพิสูจน์ดูทําให้มันเสื่อมพามันไปหาสิ่งที่จะทําให้มันเสื่อมพามันไปหาเสือหางูหาสัตว์ต่างๆหาผีก็ได้น่ากลัวผีให้มันระเบิดให้มันตายพูดง่ายๆแล้วดูซิว่าทําใจอยู่กับความความระเบิดความสูญเสียของขันห้าได้หรือเปล่าถ้าใจไม่กลัวตายปล่อยให้มันตายได้ก็แสดงว่าใจก็ผ่านได้ครับ คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเจ้าค่ะในพระพุทธศาสนาเรามีการห้ามหญิงที่กําลังมีประจำเดือนสวดมนต์ไหมคะไม่มีหรอกสวดได้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไม่เกี่ยวกันอยู่ที่ว่าจะสวดได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมาเลยกําลังทําคีโมอยู่ก็สวดได้กําลังไปนั่งล้างไตก็สวดได้ ทำได้ทุกเวลาเวลาอะก็ยังสวดถ้าสวดไปภายในใจอย่าออกเสียงถ้าออกเสียงคนก็จะหาว่าไม่สมไม่สมควรไม่ไม่เคารพแต่ถ้าเราถือว่าเป็นกรรมฐานนี่กรรมฐานใช้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาทุกโอกาสเพราะกรรมฐานมีไว้เพื่อควบคุมจิตใจไม่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเพรฉะนั้นเวลาถ้าเราจะท่องกรรมฐานเช่นสวดมนต์ อยู่ในห้องส่วมนี้สวดได้บางทีปวดท้องแล้วกันสวดแล้วมันใจทําให้ใจไม่ปวดนี่ก็สวดได้แต่อย่าออกเสียงเท่านนี่เองเพราะเดี๋ยวค น, คนข้างห้องก็จะหาว่ามึงไม่เคารพประทมคําสอนของพุทธเจ้ามาสวมดมนต์ในห้องส่วมมีอีกไหมยังไม่มาเลยออมีมีข้อควา ม, มกําลังพิมพ์อยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้แสดงนะว่ะ บางทีบางแห่งเขาจะบอกกําลังพิมพ์คําถามอยู่นะก็เรื่องของการปฏิบัติทางจิตนี้ไม่เกี่ยวกับทางร่างกายไม่เกี่ยวกับความเข้ารบหรือไม่เขา้ารบความจริงการปฏิบัติทางจิตนี้ว่าถือเป็นการปฏิบัติบูบชาอยู่แล้วบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติเจริญสติเจริญกรรมฐานการเจริญกรรมฐานนี้ต้องเจริญทุกกรณีทุก ทุกระยะ ท, ทุกที่สติต้องมีทุกเวลาถึงจะคุมกิเลสได้ถ้ากิเลสเผลอเมื่อไรก็เหมือนตำรวจเผลอน่ะพอตำรวจหลับปั๊บนี่ขโมยออกมาเพ่นพ่านได้ใแต่ถ้าตำรวจไม่หลับนี่ตำรวจคอยลาดตะเวนอยู่เลยขโมยไม่กล้าออกมาเห็นการปฏิบัติธรรม น, นี้ต้องมีสติอย่างต่อเ น, นื่องทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องน้าก็ต้องมีสติ อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายก็ต้องมีสติรับประทานอาหารก็ต้องมีสติทำอะไรก็ต้องมีสติต้องมีพุทโธฉนั้นการมีท่องพุทโธในที่ต่างๆไม่ถือว่าเป็นการไม่เขารบแต่ต้องมีการลาเทสะอย่าให้คนอื่นเขารู้ท่า น, นเองคนที่เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจก็จะหาว่าเราไม่เขารบ ก, ก็ได้ คำถามจากคุณสมชายเจ้าค่ะอยากรู้วิธีการทําสมาธิครับก็นี่ไงบอกเลยสติไงฮะพุโทโธพุโทโธไว้ต้องมีสติก่อนแล้วถึงจะมานั่งทําสมาธิได้ต้องพุโทโธไปทั้งวันก่อนแล้วพอเวลานั่งสมาธิก็นั่งขัดสมาธิหรือไม่ขัดสมาธิก็ได้แล้วหลับตาแล้วก็ต้องพุโทโธต่อไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจไม่ใช่เป็นผลของสมาธิ ผลของสมาธิคือความสงบความนิ่งความว่างความสุขถ้ายังไม่มีก็พุโทโธไปเรื่อยๆมีภาพมีเสียงมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจคำถามจากคุณนวินเจ้าค่ะสมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรครับสมถะก็ทําใจให้สงบทําใจให้ใสวิปัสสนาก็สอนใจให้รู้ว่าอะไรสุขอะไรทุกข์อะไรไม่สุขไม่ทุกข์ อะไรเที่ยงไม่เที่ยงอะไรเป็นของเราอะไรไม่เป็นของเรานั่นเองเรียกว่าวิปัสสนาคำถามจากคุณสมเกียรติเจ้าค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ครับพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานสามารถสร้างบุญกุศลได้ไหมครับยากสัตว์เดรัจฉานมันสร้างบุญไม่ได้เพราะมันไม่มีปัญญาพอที่จะมาเรียนรู้ธรรมะได้มันต้องมีผู้ที่สอนมันได้ ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้สอนได้หรือเปล่ามันติดต่อกันได้เปล่าอย่างพวกเลิงพวกช้างนี่พระพุทธเจ้ายังสอนไม่ได้มีเลิงมีช้างไปอุปถากสอนมันไม่มันไม่รู้ภาษาคนสอนไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นกายทิพย์นี่สามารถสอนได้พระพุทธเจ้าสามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ต่อสอนธรรมะให้กับพวกกายทิพย์ได้ คำถามจากคุณสุดใจเจ้าค่ะรับศีลแปดแล้วปฏิบัติอยู่ที่บ้านได้หรือเปล่าคะก็ต้องปฏิบัติแล้วล่ะพอรับศีลแล้วไม่ใช่จะปฏิบัติแต่ที่บ้านที่วัดอย่างเดียวเพราะกลับบ้านไม่ปฏิบัติพอรับศีลแล้วมันต้องปฏิบัติตามที่เรารับมาทันทีไม่ใช่อยู่ว่าอยู่วัดปฏิรับรักษาได้แต่อยู่บ้านไม่รักษาไม่ได้พอรับแล้วต้องปฏิบัติทุกแห่งทุกคนจนกว่าเราจะเลิกรับเท่านั้นนี่ยเมื่อเราเลิกรับเราถึงจะไม่ไม่ปฏิบัติตามได้ คำถามจากผู้ฝากถามเจ้าค่ะกระผมมีความรู้สึกว่าไม่ได้กลัวความตายเหมือนแต่ก่อนแต่ความกลัวแต่การกลัวความเจ็บปวดมากกว่ามากกว่าเวลาจะตายสิ่งนี้กระผมควรผ่านอย่างไรขอรับก็นั่งสมาธิไปนานๆอย่าลุกมันเจ็บก็อย่าลุกให้มันหายก่อนค่อยลุกต่อไปเราก็จะรู้ว่าเราไม่กลัวความเจ็บเราอยู่กับความเจ็บได้ คำถามจากคุณป้องเจ็ดแปะเจ้าค่ะเพราะเหตุใดพระอรหันต์ท่านถึงเก็บตัวเงียบอยู่ตามป่าเขาครับอ๋อท่านไม่เก็บหรอกท่านออกมาสอนคนเยอะแยะไปหมดเพีงแต่ที่อยู่ของท่านที่สงบที่สบายก็คืออยู่ตามป่าตามเขาแต่พอมีหน้าที่ต้องทำท่านก็ออกมาทำหน้าที่ของท่านไปคำถามจากคุณพักดีเจ้าค่ะทำอย่างไรจึงจะมีสัมมาสติ ก็พุทโทรไปทั้งวันเนีต่อแต่ลืมตาขึ้นมาก็ต้องท่องพุทโทรพุทโทรไปวันแล้วนะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิย์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ